พึ่งพากันตั้งใจให้ดีใจนี้เป็นแก่นแห่งชีวิตไม่ใช่อย่างใดคนทั้งคนก็มีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นได้พากันทนุถนอมเอา อย่าไปทนุถนอมแต่ร่างกายโดยส่วนเดียวคนส่วนมากไปทนุถนอมแต่ร่างกายส่วนจิตใจไม่ค่อยทนุถนอมอันนี้นะี่ยมันจึงพ้นทุกไปไม่ได้อันร่างกายนี่ก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่ แม้ว่าใครจะปลนปื อ, อยังไง ร, รักษามันดีขนาดไหนมันก็ไม่ยั่งยืนถึงเวลามันแปรผันผันไปมันก็แปรไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดส่วนจิตนี้เราสามารถฝึกได้ตัวเองบังคับตัวเองได้ ถ้าว่าจิตนี้บังคับไม่ได้แล้วก็จะพ้นทุกไปไม่ได้เลยก็จะจมอยู่ในทุกเนี่ยจะตกเป็นทาสของกีเลตันหาอยู่เนี่ยปรากฏว่าท่านผู้ฝึ ก, กจิตใจนี่มาก่อนแล้วท่านก็หลุดพ้นไปแล้วมีอยู่ ข้อนี้นะ่ะถ้าใครไม่กระทําในใจของตนเองนะ่ะมันไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าท่านผู้อื่นนะั่นน่ะท่านฝึกกิจนี้ให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส ต, ตัณหามาแล้วอย่างไรเราก็กล่าวกันถึงแต่พระพุทธเจ้านั้นแหละเป็นตัวอย่างมา แต่ถ้าใครไม่ทำใจของตัวเองแล้วถึงจะปรารกถึงเรื่องพระพุธเทธเจ้ามาให้ฟังมันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกไม่เชื่อว่าบุคคลจะเรียนละกิเลสตัณหานี่ให้หมดสิ้นไปได้อันนี้มันมีอยู่เฉพาะจิตใจกิเลสเนี่ยไม่มีอยู่ที่อื่น ดังนั้นแหละผู้ใดไม่มาฝึกใจทำใจให้ส ง, งบมันจึงรู้ไม่ได้เลยว่ากิเลสนี่มันดับไปได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ไม่เกิดอัศจรรย์ใจในพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่มาดำเนินจิตใจในแน е วทางปฏิบัติ ไปโดยลำดับเนี่ยจึงเกิดอัศจรรย์ใจในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ละกิเลสได้จริงๆในพระอระหันตะสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านปฏิบัติตามแนวทางที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้ท่านก็ละกิเลสได้จริงๆ เราผู้ปฏิบัติตามผู้เกิดมาในภายหลังเมื่อเราปฏิบัติตามทางที่พระศาสดาทรงดำเดินมาแล้วเราก็สามารถละกิเลสได้เหมือนกันให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้ก็เมื่อตนละกกิเลสมาอย่างใดตนก็รู้ไม่ใช่เหรอ เช่นแต่ก่อนนั้นอ่ะไม่คิดว่าจะรักษาศีลเลยอย่างนี้นะว่าอย่างทำความดีก็ได้แค่ให้เข้าน้ำโพชนาอานผ้าผ่อนเป็นทานไปเท่านั้นเองเมื่อนี้เมื่อมาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการบุคคลไม่รักษาศีลเนี่ย ชื่อว่าเป็นผู้ไม่พ้นจากบาปชื่อว่าเป็นผู้ทำบาปเมื่อทำบาปแล้วบาปมันก็นำไปสู่ทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์ได้จริงๆเมื่อมาภาวนาแล้มาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ตั้งสัตอธิฐานลงไปว่าจากไม่ทำบาป จกไม่ล่วงสิขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ่้มไว้นั้นต่อไปเมื่อได้สมทานมั่นในใจอย่างนี้แล้วก็สำรวมกายวาจาใจของตนไปไม่ล่วงเมื่อไม่ทำบาปไปแล้วจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานนี่เมื่อภาวนาเข้าไป ทำใจให้สงบมันก็มองเห็นตัวเองได้ตนเองได้ละกิเลสอย่างนั้นอย่างนั้นมานี่ความโลภตนก็ได้ละมาเพราะว่าตนได้ให้ทานอยู่ไม่ได้เห็นแก่ตัวความโกโรธความพยาบายตนก็เพียายามละมาโดยลำดับตนจึงมีศีลน่ะ ถ้าตนไม่ละความโกรธให้เบาบางก็รักษาสินไม่ได้นั่นอย่างนี้นะมันก็เห็นด้วยตนเองนะโอโก็ความโกรธความมยาบาทมันก็เป็นกิเลสเป็นอกุศลมูลเป็นมูลที่จะให้บุคคลทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อผู้ใดละมันมา แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะก็รู้ด้วยตนเองในวันนี้นะนั่นตนเองละบาปได้อย่างไรก็รู้ด้วยตนเองนี่แหละแต่ก่อนนั้นนะ่ะตนหลงอะ่ะตนไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรฮะไม่รู้ว่าทางออกจากทุกข์ไปไปทางไหนก็ไม่รู้เลย อยู่ไปตามยะถากรรมเฉยๆล้วก็ไม่รู้ว่าทุกขมันอยู่ที่ไหนกันแน่นั่นแหละทีนี้เมื่อมาได้ภาวนาเข้าไปโน้มจิตลงสู่ความสงบถือเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักไม่คิดส่งไปในอดีตอนาคตกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบนันนี้เพ่ง กายเพิ่งจิตเข้าไปจิตนี้เมื่อสติมันควบคุมไว้เพ่งเข้าไปเบ่อยๆมันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันถือมาแต่ก่อนนั่นนะออกไปแหละมันอยู่ไม่ได้ออืมันยึดถือเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าสติสัมปชัญญะนี่มันเพ่งเข้าไป จิตที่ไม่ได้สะสมอารมณ์ภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมอีกมีแต่ของเก่าที่ยึดถือเอาไว้นั้นมันทนต่อความเห่งไม่ไหวมันก็คลายอารมณ์นั้นออกไปจิตเนี่ยเมื่ออารมณ์นั้นดับไปจิตก็เบาสงบเย็นนี่เมื่อใจเบาใจเย็นสบายอยานั้นแล้วมันก็ พิจารณาอันใดมันก็รู้วันนี้นะมันก็มองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สวยสดงดงามอะไรเลยเต็มไปด้วยบุคโปรหิตธมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามก็มองเห็นได้ แต่ก่อนนั้นมันสำคัญว่าตนสวยตนงามนึกว่าตนมีอายุยืนยาวนานจะไม่ตายง่ายอะไรหมูนี่นะมันเข้าใจผิดมาเมื่อมาพิจารณาเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางมันลงเมื่อปล่อยวางลงไม่ถือว่าเป็นของเราแล้ว จิตใจก็สบายแ ม, ม้ว่าร่างกายนี้มันจะแปรปวนไปมันก็ไม่เป็นทุกข์กิจเนี่ยเพราะมันไม่ถือว่าเราแปรปวนไม่ถือว่าเราตายมันกำหนดรู้ว่าร่างกายอันนี้มันกำลังจะแตกจะดับอยู่หรือว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันกําลังจะแยกออกจากกัน มันก็เห็นไปอย่างนั้นมันเห็นเป็นสภาวะธาตุไปไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันเห็นเป็นสภาวะธาตุไปนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรก็เหมือนอย่างเราเห็นดินอยู่ภูเขาน่มันพังลงมาในฝนตกซอะมันมันก็มีความรู้สึกเฉยๆพอานั่นแหละไม่แตกต่างอะไรเลยความรู้สึกนั้นนะ เพราะว่าก็รู้แล้วว่าดินอ่าดินนี่ไม่ใช่ของเราภูเขาต่างหากไม่ใช่ของเราก็เมื่อมันเห็นอย่างนั้นมันก็ใจมันก็วางเฉยลงได้จิตจิตอันนั้นอนะ่ะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อภาวนาใจสงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วมองเห็นร่างกายนี่เป็นแต่ธาตุ ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนดังที่สมมติกันมานั้นจริงจังสมมติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไปธาตุลมที่มันรวมกันอยู่เป็นก้อนเนี่ยว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาก็เพียงเท่านี้แหละร่างกายอันนี้เนี่ยเมื่อเพ่งเข้าไปถึงความจริงแล้วเมื่อ ใจมันมีปัญญามันรู้แจ้งกายทำเป็นจริงอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์เลยเวลาร่างกายอันนี้มันวิบัตริแปรปูนไปก็จึงได้รู้จักว่าอ๋อทางออกจากทุกข์มันออกทางนี้ทางดับทุกข์มันดับทางนี้ทุกข์นั้นไม่อยู่ที่เอื่นอยู่ที่จิต ด, ดวงเดียวดังนั้นเมื่อ ทำจิตให้สงบเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดปัญญามาสอนจิตนี่ให้รู้แจ้งธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วนี่จิตนี้มันจึงไม่เป็นทุกข์ความดับทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้สิวะ น, นี่จะอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่จิตไม่ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนนี่นี่เองนะอ เมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่เป็นทุกข์ไม่อะไรไม่โศกเศร้าเสียใจเพราะไม่ถือว่าเป็นของเราอันนี้เราจะว่ายัางไงอ่ะก็ว่าสันทิธิโกแล้วนี้นะผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นคืออริยสัจสีนะนะ่ น, นั่นนะนั่นไง มันก็เห็นทุกข์โดยตนเองเห็นทุกข์โดยสรุปแล้วก็ว่าจิตใจที่มาหลงยึดถือขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเนี่ยคือทุกข์โดยสรุปเลยแบบนี้อ่าแต่เมื่อกระจายออกก็อย่างว่าเหตุที่มันยึดก็เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ภาคเพียนไม่ได้ภาคเพียนฝึกฝนอารมณ์จิตให้เข้าถึงความสงบ ไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเหตุนั้นมันจึงไม่รู้แจ้งในทุกขตามเป็นจริงนี่เมื่อขยายออกไปมันเป็นงนั้นมัวเมาแต่เกียดคร้านมัวเมาแต่เพลิดเพลินในกรรมคุณเหยื่ทยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆในโลกเลยไม่สนใจที่จะมานั่งสมาธิภาวนาเลยบุคคลผู้หลงผู้เมาเช่นนั้นนะมีแต่ก่อนแล้วก็นินกินแล้วก็นอนแล้วก็เพลิดเพลินในการมาคุณไปเท่านั้นเองนะไม่คิดเลยว่าจิตใจของตนนี่นะ มันถูกกิเลสตัญหาครอบงำย่ำยีให้เป็นทุกข์ปนเปี้ยอยู่นี่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ไม่รู้ทางที่จะดับทุกข์ทางจาิตใจนี่ที่ไม่รู้ก็เพราะไม่สนใจอย่างที่ว่ามาแล้วนะั่นไะไม่สนใจศึกษาระดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำคัญเลยคนเรานะ่ะเป็นชาวพุทธแต่ปากเฉย แต่ไม่รู้จุดหมายปลายทางแห่งพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามบางคนก็รู้แนวทางปฏิบัติอันจะพาให้ตนหลุดพ้นจากทุกครู้เฉยแต่ไม่ลงมือปฏิบตัติเพียงแต่รู้เฉยเฉยนั่นไม่มีทางกิเลสตัณหามันจะเบาบางออกไป ต่อเมื่อใดได้ภาพเพียนใจที่ไม่สงบก็เพียนให้มันสงบลงไปอย่างนี้นะเอาความเพียนเข้าว่านะวันนี้มันยังสงบไม่ได้เอาต่อไปก็เพียนอีกอยู่อย่างนั้นนะวันต่อไปก็เพียนไปเรื่อยๆไปเพียนเพ่งพินิจอยู่เนี่ยไม่ถอยแล้วมันก็ต้องสงบลงวันหนึ่งให้ได้นี่ ไอ้ผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นนิยานิกระทำนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ไปได้จริงพุทธะเชื่ออย่างนี้จริงๆเลยมันก็ต้องเพียนไม่ถอยเพราะว่าเชื่อมั่นนี่เมื่อเราปฏิบัติไปอย่างนี้เราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆแหละอย่างนี้นะ แต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็เคยว่าอยู่แล้วว่าคนเราไม่เห็นทุกข์ในสงสารเพราะว่ามันติดอยู่ในเหยื่อลอ่อคือตัณหาตัณหานั่นแหละมันฉาบทาจิตใจนี้ให้ยินดีพอใจอยู่ในรสแห่งกรรมคุณทั้งหลายอันนั้นแหละมันเป็นเหตุให้คนเราไม่มาสนใจเรื่องทุกข์ในโลกสงสารอันนี้นะ ไอ้ผู้ที่มาสนใจในทุกในความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นี่ก็เพราะว่ามันบรรเทาความพอใจในกรรมคุณทั้งหลายเหล่านั้นลงได้ไม่หมกมุ่นไม่เพิดเพลินเกินประมาณมาเห็นโทษแห่งกรรมมคุณนั้นว่ากรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรส เครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นมันเที่ยงมาจา่ไหนเ่ะคิดดูแต่คนไม่คิดนี่มีแต่พอใจมีแต่ทำความพอใจไปเรื่อยมีแต่สาคัญผิดคิดว่าสวยว่างามเรื่อยไปอยู่นั้นนะเราจะให้บรรเทาความรักความใคร่อนนั้นลงได้อย่างไรเรานั่นแหละเมื่อบุคคลบรรเทา คมรักคองใคร่นั้นลงไม่ได้มันก็มัวเมาไปทั้งวันทั้งคืนเลยไม่สนใจที่จะมาทําความเพียรละความรักความใครอันนั้นเลยเมื่อมันหลงมันเมามากเข้าไปมันก็ไปทําบาปอะไรแบบนี้นะอันเช่นอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายมันก็ไปประพฤติผิดมิตฉาจารกรรม ไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาเข้าให้แหละบ้านี้อ น, นอกจากนี้แล้วมันก็บันดาลไปทั่วละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตช่อกงหลอกลวงลักช่อเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนดื่มเล่าเมาสุราเจตจากโกหกหกลม ต่างๆโมนี้มันเกิดจากความรักความใคร่อันนี้เป็นมูลเหตุทั้งนั้นเลยก็เพ <iß> ราะว่าการมคุณทั้งหลายนั้นนะที่บุคคลบริโภคเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์นี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์แล้วก็การบริโภคการมคุณเหล่านี้นไม่มีรสไม่มีชาติอะไรแล้วมีแต่ทุกเราจะเห็นได้ ดางคนผู้ครองเรือนบางคนบางพวกไม่มีสติปัญญาหาเงินหาทองหาเงินหาทองที่จะมาปลนปูลปลนปลื้ครอบครัวนั้นไม่ค่อยได้มานี้ก็มีตั้งแต่เอากําลังกายนั่นแหละไปทําไปรับจ้างเขาได้เงินได้ทองมาพอจับพอใจไปวันวันนะ วันไหนไม่ทำงานก็ไม่มีอะไรจะกินอย่างนี้นะก็มีแต่ความทุกข์ทนทรมานอืนี่แหละอุปกรณ์ที่จะให้บุคคลได้เพลิดเพลินในกามคุณนะเงินทองข้าวน้ำโภชนาะอาหารที่อยู่ที่อาศัยเวลาเจ็บไข้ามาก็ต้องจ้างหมอมารักษา บ, บำบัดร่างกายนี้ให้หายไปมันก็จึง เพลิดเพลินในการมคุณนั่นได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มันก็ไม่มีความสนุกอะไรเลยในการมคุณลองคิดดูการบริโภคการมคุณของมนุษย์เราในโลกเนี่ยมันสบายขนาดไหนมันทุกข์ขนาดไหนอันนี้มันเป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลจะพิจารณาให้มันรู้มันเห็นด้วยตนเองถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ ร, หรู้เห็นด้วยตนเอง เั็นเด็กเพียงผู้อื่นแนะนํนาเท่านั้นมันไม่เชื่อหรอกมันไม่เอานั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึางตรัสว่าอันพระธรรมคําสอนของพระองค์เนี่ยสําหรับผู้ปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยจะพึงรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้ผู้ใดไม่ลงมือปฏิบัติไม่รู้ มันจะรู้ยังไงอวิชชาตัญหามันปิดบังไว้หมดอ่ะไม่เพิกอวิชชาตัญหาออกก่อนแล้วมันจะไปรู้แจ้งได้ยังไงอ่ะตามธรรมดามนุษย์โลกทั่วไปเมื่อไม่รู้แจ้งในคำสอนของผู้เจ้ามันก็ส่งเสริมว่ากามมคุณนี่แหละเป็นของวิเศษเป็นของอำนวยความสุขให้เพราะฉะนั้นแหละ มันจึงถ่ายทอดกรรมมกุนให้แก่กันและกันไปเรื่อยๆอยลองสังเกตดูอา้าวหญิงชายคู่หนึ่งแต่งงานกันอยู่ไปก็ได้ลูกเลี้ยงลูกเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาอ่าเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าเป็นถ้ามีลูกชายผู่เป็นพ่อเป็นแม่ก็พยายามหาภรรยาให้นั่น ถ้าเป็นลูกสาวอย่างนี้พ่อแม่เขาพยายามหาสามีให้อยากให้ลูกสาวตนได้ผัวเป็นคนดีคนดีคนมีสติปัญญาก็จะได้มาแสวงหาทรัพย์สมบัติมาปนปลือกามอาคุณนี่แหละให้มันสนุกสนานยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเรื่องกรารมอาตันหาเลยนะมันถ่ายทอดกันมาอย่างนี้เหละ <c oughs> มาใ้ผู้อริโภคกรรมาคุณลนั่งหลายแบบไม่มีปัญญาแล้วก็มีแต่ทุกข์เหมือนอย่างหมีกินพึ่งเขาว่านั่นนะมันก้มหน้ากินอยู่งั้นเลยไม่มองอะไรอะศัตรูมาเห็นเข้าเขามันก็ทำลายล้างผลานไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลย บุคคลบริโภคกามาคุณตมิตลับตาหลับใจบริโภคอยู่อย่างนั้นไม่คิดเห็นภัยเห็นโทษของมันไม่หาทางป้องกันทุกโทษต่างๆไวเช่นนี้แล้วบาป ก, กรรมนั่นแหละเป็นตัวศัตรูมันจะมาฉุดคล้าไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้น เหมือนกับหมีมันกินพึ่งไม่มองอะไร น, นั่นเลเมื่อเสือหรือว่าสัตว์ตหรือมนุษย์ไปเห็นเข้าก็มีหวังอนะ่ะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเช่นนี้นะคนส่วนใหญ่นะบริโภคกรรมคุณนะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเพราะนั้นในธรรมะบรรยายนี่ก็ต้องการอยากจะตักเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้บริโภคกรรมคุณผู้ครองเลือนทั้งหลายเนะี่ยควรตื่นตัวแม้ว่าผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยผู้เป็นนักบวชนั้ น, นได้ชื่อว่าได้ละกรรมคุณทางกายออกมาแล้วแต่ว่าจิตใจมันยังเยื่อใ่ในกรรมคุณอยู่ไม่ใช่ว่า มันหายไปเมื่อไหรอ่อ่ะอนั่นแหละมันก็ต้องระมัดระวังเมื่อตอนเห็นโทษแทงกรรมคุณแล้วได้ถอนตัวจากกามมาแล้วมาประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะมันก็ต้องระมัดระวังสัมรวมจิตใจของตนให้เข้มงวดกวดขันให้เห็นโทษแทงกรรมมคุณเหมือนเราสละออกมาบวชครั้งแรกนั่นแหละ ให้หวนเห็นพิจารณาเห็นโทษของมันเลยไปมันก็ถึงจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ติดต่อกันไปได้ผู้ครองเลือนทั้งหลายก็อย่าไปบริโภคกรรมคุณแบบไม่มีปัญญามันก็ต้องมีปัญญากากับด้วยเพราะว่ากรรมทั้งหลายนั่นอันเป็นเหตุให้เกิดบาป ให้บุคคลทำบาปก็มีออกามคุณอันเป็นเหตุให้คนเราเว้นจากบาปหรือว่าบำเพ็ญบุญคุศรไปได้ก็มี <c oughs> <c oughs> บุคคลผู้บริโภคกามคุณได้มาสนใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ได้ฟังธรรมได้สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจนว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ แล้วอย่างนี้นะถึงแม่ครองเรือนไปก็พยายามหลีกเลี่ยงจากบาปที่ตนพิจารณาเห็นแล้วว่าทําอย่างนี้พูดอย่างนี้เป็นบาปเป็นโทษอันนี้ก็หาทางหลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆเหลือพยายามทําพูดคิดแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นพยายามทํามาหาเรื่องคิดแต่ในทางที่ไม่เกิดบาปเกิดโทษ พยายามรักษาความคิดความเห็นอย่าให้เห็นผิดเป็นชอบไปต้องให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงคุณโทษมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงซึ่งสวรรค์ถึงพร้นิพพานมีจริงจริงแล้วปฏิบัติลงมือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น เป็นคฤรือหัดก็ให้ทานรักษาสินภาวนาให้เต็มความสามารถของตนของตนดังที่ชี้แจงแนวทางข้อปฏิบัติเหล่านี้มาโดยลําดับนั่นแหละเป็นนักบวดก็พยายามบําเพ็ญศินสมาธิปัญญาให้สัมพันธ์กันไปเมื่อมีศินแล้วก็พยายามบําเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้น เมื่อมีสมาธิแล้วก็พยายามเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้น <c oughs> อย่าเพียงว่าเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เท่านั้นมันไม่สมบูรณ์มันก็ไม่มีกำลังที่จะมาละกิเลสได้มันต้องให้สัมพันธ์กันไปเมื่อมีศีลแล้วไม่มีสมาธิ บุคคลก็จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ได้เมื่อจิตคุ้งซ่านเลื่อนลอยไปแล้วนะนั่นเนี่ยเมื่อเมื่อทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงคืออริยสัจสี่ดังที่อธิบายมาโดยลําดับนั้นได้เพราะว่าใจที่มันไปสงบอยู่เตอนนั้นมันไม่มีปัญญาอะไรมีแต่สงบนิ่งอยู่เฉย อ่าเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาดูเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงก็อย่าประมาทอย่าปล่อยให้อัตภาพร่างกายนี้มันสุดโทมแตกดับไปเปล่าเาทําทความภาคเพียรไม่เห็นแก่ความยากลําบากให้เต็มความสามารถของตนของตน ก็จะบรรลุถึงผลที่มุ่งหวังคือความดับทุกข์ทางใจได้ ừ, ดังแสดงมา